ควางธรรมแบบพูดกับทุกท่านนะแต่มยจะหลับอยู่แสดงว่าเวลานี้อนต์ตาท่านใจพูดกับทุกคนเพราะสิ่งที่พูดเป็นจริงเดียวกันเราปฏิบัติธรรมจะวิตเป็นสถามันจึงเปนน็นเดียวกัน เหมือนเราประเด็นน right. ังสือในเงสือบันต่างๆให้แต่แต่งกายแต่งตัวก็เหมือนค่นเสือบันของหลอนชัดเจนมากพระพุทธพระธรรมพัะสงฆใจตัวเรามีให้ชัดเจนไม่ยยำไปทีดอย่าพาพาฟังฟั สมสมรุ่นรุ่นดนาวสมสีสมห้าไม่ใช่สถาบันมันเราไปเรียนมหาวิลาลัยเป็นการขวบวิชาอาจจะไม่ต้อง เราปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้ า, าพระธรมพระสงสถามันเป็นยังไงตั้งแต่ภาษาที่เราสอนขยายก็เป็นสถามันนพะระพุทธเจ้าตัดสร้ช่วยโดยเขี่ได้โดยพระองค์เองเป็นสถาบันเติมเล็บเป็นทุบสิ้เนเชิง มีใครเป็นจาสตราของอรองคระองทั้งว่าคำคำสอนเป็นต่างเครื่องออกกับทุกเป็นเครื่องสมุที่เลยเป็นไปเพื่อปัญญานิผ่านทำพระผู้มีพระเจ้าตัดไว้ดีแล้วเป็นสาหังผู้ปฏิบัติต้องศึกษาโดยตนเอง ปฏบัติ้ให้ได้ม่จำกัดการเราเชิญให้มาดูเรื่องศาสนาบ้ามาดูได้ดูได้จริงจริงที่้มาใส่ตัวเองปฏบัติพระสงฆ์ปฏิบัติีจริศาสนาปฏิบัติ ต้องเป็นสถาบันปฏิบัติออกจากทุกเป็นสถาบันปติสมควรสมองเสมอชัดเจนแน่นัม no, ันก <bits> ็เลใช้ช yeah, ืวอของเราเป็นสถาบันชัดเจนแน่นยยกมนอสั่นจังวะไชัดเจนเออพูดแต่คยมองนอง่คิดตชนนี้ ไม่ชัดเจนไม่ใช่ศราทาเหมือนเราเปิดกุญแจปิดกุญแจวลออกกลับ้านิดกุญแจหลังกุญแจเอ า, ก, เากุญแจใส่กระเป๋ปประตูหน้าตดูสิงแวดลอมใเียบเลาเปนใช้รถเฉลือเป็นศรัทธ า, า่นในตัว <c oughs> ทำาังไง ให้ได้ผลขันต่างเรื่องให้ชัดเจนขับรถขับเรืไปก็เป็นสถาบันแบบที่สติตสมสุขไร่าสถาบันที่นี้เราก็ตั้งวัดเป็นสถาบันนะสถาบันสิประกานมันโลวัดในประเทศ ไม่ใช่เรื่งเล่าก็ันน้ประเทศไทยนะเพราะอะไรเราท่าทางเดี๋ยวนี้เราก็เป็นสถาบันประกาศเลยกรรมฐานเช่มสี่สิบวันวันนี้เป็นวันที่เรามาประชุมธรรมสวดนตร่วม ก, กันเพื่อให้ได้คิดถานอันเดียวกันโดยเพราะ ก, การกรรมฐานเนี่ย มานก็จะเต็มอยู่แล้วมีสติไปในการทุกคนในการถ้าไม่มีสติถือว่าสิริสลายจะไม่ใช่ไม่ใช่กรรมาฐานนะกรรมาฐานนี่ช่วยกันมาได้ไม่ใช่บดเรียนรู้รู้แล้วอ่ละกรรมาฐาน ไอห้หลวง่เกียยกมือสร้างจะสู้แบบฟุตทงได้สู้แบบ น, แบบนั่งสงไปได้งดงางมกว่าม้วจะยกมือรางยอไม่สุภาพแบบนี้มันดีกว่าไอาเ้อเจ๊ก็ไอ้เจกหรือรงชินแล้วทำไมไปต้องยกมืออันนั่นมาใช่ฝนแบบ น, น้ำเห็นฝน ม, ม่ใช่สะทกถาม เราให้เป็นสถาบันอ๋อสติเวลาใดที่เพื่อนไหวมีสติมีแหละปฏิบัติเวลามันเพนไหวกายใจรู้สึกตัวส้ำงไปอีกมีสติรู้สึกตัวก็อะไรต่างๆม่ช่เพเดียวโรคดย มันขนคลองมากคลองเรือน อ, องงานคลองตาน่โอมนันเดินตู้พวกผมการกอร่อสร้างดูเาตอนนี้เขทําอหม่เติมประตูจุดออนอะไรที่มือนเป็นจุ อ, อนรู้เลารูปจุดที่มันอ่อนจุดที่มันเดถ้าวันตัวเขไก็ต้องรู ไปประเดียงานเดินไปแล้ว ช, ออชุดตนจะ่าลืมตาดูจุดตนของการสอบบารานไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รูใจว่ามาเจาะแล้วก็ไม่ค่อยถูกต้งไหนตำแห่งของเราเยอเยย ดีอาไรอ่ะมก็ดีแต่ว่าเราเจาะดูแลสองสาวเขาทนนั่งเป็นน้าแดงเจ้นสาวก็หลีกอยู่ไปได้เพรหน้ามันเลยแล้วก็มีบ่อเลยทีแรกก็ใส่บ่อน้าไดงหลายตีไปก็แดงไปเลยเหมือนบ่อน้าที่ของบ้านใหม่เพื่อจะดื่นได้โชว์ให้คนเห็น ให้ดูนะต่อมาคุนเป็นน้ำคำเบอร์ประตูนก็อะไรหุ่ยมันก็ต้องมีน้ำให้หเราเวลานี้ก็เลยดูฝนด้วยอะไจะเป็นปลาไก่อ๋อตายโลงยอไปโน้นมันจะเป็นดินหีนดินแดงไม่มีสาย มันก็นค่อยถูกกำหน่ดดีแต่ว่าไม่ถูกไม่ตรงไม่เป็นสถาบันตอนนั่นตนนั่นเป็นต้าววัดเดินมาเพื่อโชว์มาดูน้องหินหัวน้องน้องยอ่อยโยดยอดโจ ด, ด <c oughs> แต่ที่มันก็เป็นลานหีนเป็นภาพต่งางๆมันก็ไม่น่าดูนะถ้าจบ ถึงแม่น่าดีก็ไม่อยากให้ใช่ตรงนั้นตามความคิดเห็นของตลาดแต่อชอบสวยชอบงางเหมือนกันชอบเป็นระเบียบชอบมีแผนมีเอกลักษณ์ของพวกเราเวลานี้บริษัทแลนมาร่วมกันมาปฏิบัติธรรมมาปูป่าเง่นเยอะ พยายามให้เป็นสถาปนิกเก่งในการใช้ชีวิตของเราว่ามันเป็นสถาัน์นิทานต้องเป็นการผ่านจึงจะถือว่าจบผ่านจากความหลงไปความรู้มันไปยากไม่ต้องไปนอนเท้ า, ออานั่งโต๊ะสออรมณ์ันติดตามกันยพยายามผููใด้ท่านช่วยตัวเอง สิ่งใดที่ท่านช่วยด้วยนะเป็นสัจธรรมนะพูดเรื่อให้ให้อาศัยคนอื่นไม่ใช่ไม่ใช่สัจธรรมสอนเขาขึ้นสนเขาสอนเขาแค่โซ่เขาเปี่ยนเขาเขาให้เขาเป็นคนบุดคนแดงมันหลงเปลี่ยนหลงเป็นลูกไปเลยมันสุขมันทุกข์เลยก็ตามสถานมันเขาหลอมเขสติรู้สึกเห็นมัน เนกายน้สถานะนะกายสภาวะไม่ใช่จกรุกุตัวตวนหลของทเวียดจัเห็นเวทนาหน้าสถานะนะนะมีไรทนาัรทนาไม่ใช่จกรุตัวตวนหล่อของเหนิตอ้าวมีจิตนะ ม, นะมันเป็น โจดมันเป็นิงที่ทำให้เราหลงตรงไหนที่มันหลงเรารู้แ้วรู้ตรงที่มันหลงมันแหละคือการศึกษาตรงไหนที่มันหลงหลงไปไปไม่มีการศึกษาเลยเน้องกลัวงูเอาเชือกงูแบบ ห, ห, หลอกไม่ได้แต่ตัวเองหลอกตัวเองันนี้ว่าง หลอกไม่กลัวคนหลอกไม่กลัวเคเจ็เจียตายไม่กลัวคู้มก็บตัวเองหลอกตัวเองถ้าไม่จบมันหลอกไงหลงตรงเวทตรงกายตรงเวทนาตรงจิตจนเห็นมันเฉลยไปจิตจะว่าจิตอันไดสักกตว์ปุขุนตตวตหลอกเขาทำจะมันเกิดอะไรขึ้นกับปากับใจร่วมกัน เป็นความเฉลียวฉลาดเป็นคมงูเป็นความสุขความทุกข์รู้ความไม่รู้เราก็เลยบอกเลยไปว่าช่วยท่านถ้ามันรู้จะเป็นผู้รู้เห็นมันรู้กามันสุขก็จะเป็นผู้สุขเห็นมันสุขที่มันมีความรู้เป็นกิจตรยาเป็นวิปัสนโได้มีความสุข ในความสมุมเห็นเนี่ยไปเป็นกับมันนี่ด้ยเห็นทั้มเฉลยไปเดแล้วเรื่องกาเรเฉลยไปเดแล้วเรื่องเวนาเฉลยไปเดวเรื่องคิดเฉลยเปเดแล้วเรื่องทำเฉลยไปเแล้วอะไรที่เกิดอี่เรื่องป่าลูกศกจนเห็นเป็นเรื่องเป็นหนาไม่หลับไปฐาน เป็นธรรมชาเป็นนาการโดยหลักหลักฐานแบบถ้าไม่หลักฐานมันจะตกเป็นธาตของกาของอริยนาเอากายมาเป็นตัวเป็นตนเอาอรินามาเป็นตัวเป็นตนเอาจิตมาเป็นตัวเป็นตนเอาธรรมมาเป็นตัวเป็นตนเราก็ตกเป็นจําเลยไม่เฉล่สลักอิสระกธาตุไม่คน <c oughs> <c oughs> โูสิ่เลานี้ข้วามย่งยีมเช่อช่นี่มันจะไปเรืยถ้าลงตรงนี้ไปถึงการเกริดเจเจตา อ, อย่างไปีจัดสมบูรณ์แบบจะอบายให้บังบางบัางวันอาจจะเป็นตอนบ่ายวันนี้ก็ได้ดีไหมมีใครที่บายได้ป่ะจจัสมบว่าถ้ามีใครก็ช่วยนั่นตาก็แต่ก่อนก็ อาศัยมูนี่อธิาบายเปล่าจะบ้างเรื่ยวนี้ก็มันก็หมดสักท่าอันนี้เราก็อะไรที่มันเกิดขึ้นอย่างผู้ใดเห็นทำคนเห็นปฏิจจสมุปชะชะบาทก็ได้ไหมมันออกมาเป็นภาพก็ได้อาเป็นต๊ะรองรย่อย่ออไร ตัวเราหมดตกอย่างปฏิบัติธรรมเห็นกายเห็นเบตาเห็นจิตเห็นธรรมแล้วแจ้งแล้วไปเห็นรูปท้องเห็นนำ้ำท้องเห็นรูปเห็นน้ำเอาเหมือนกับเอาไม้ปวดปวดได้งไง่พอเอาผ้าุบหน้าใส่น้ายาไปถูไป อันสลายมรดมีพู้ถูกลบกลดถ้าเห็นกายเห็นเวลาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นนามธรรมใบหลักใบฐานเพิ่มขึ้นเมื่อมีหลักฐานเพิ่มกระดานนี้นแล้วมีความเป็นธรรมแน่นอนในชีวิตเราเมื่อมีความเป็นธรก็คงไม่เปิดทางก็หมดุดใส่เรา ตามสภาพกําลังผู้ปฏิบัตินี่เป็นสถาบัอานอนี้มันจบจากนี้ผ่านมา้หรืนีม่ทาเป็นไม่ใช่รู้ทําเป็นมันใช่เรียนรู้วิชาการบัญญัตไม่ใช่วิชาเรียนรู้ปต่วิชาฝึกตัวเองให้มันเป็นเวลามันหลง รู้แล้วทำเป็นแล้วเวลามนโกรธรู้แล้วทำเป็นแล้วเวลามาทุกข์รู้แล้วทำเป็นแล้วเลามันไม่เที่ยงรู้แล้วทำเป็นแล้วเวลามันอะไรที่มันแสดงไม่ใช่ตัวตนรู้แล้วทำเป็นแล้วผ่านก็มไม่เช่ยผ่านความทุกข์ผ่านความไม่ใช่ตัวตนที่กว่าสอบผ่าน ป็ริญญาอยาตะปริญญากำหนดรู้โดยความรู้รู้แล้วก็าไม่ติดและนั้งปริญญาจะแกงยอดแยกออกไม่เป็นตุ่นเป็นก้อนนี่คือรูปนี่คือน้ำนี่คือธรมมชาตินี่เกิกิดของรูปของน้ำตุกทุกน้ำทุกโูกโลกน้ำโลกโลกสมมุติน้ำสมมุติ เก็บออกไปเหมืนอนหยาบบัตถุต่างๆอาการต่างๆประมาัดจัตเจมันเท็เป็นจริงยังไงในความจริงมันก็มีความเท็จแตความเท็มันก็มีความจริงซึ่งใจลับความไม่เที่ยงมันไม่จริงแต่มันจริงเป็นสัตเจธรรม กอนเป็นทุกข์าความมาเชี่องกอนไม่ไป็นทุกข์พาความมาเชื่อ ง, ม, งมีในโลกมาเชื่องเฉพาะเราคนเดียวจะไปตีรวบหมดไปได้บางคนร้องให้เพความมาเชืง่งนี่มีไห ม, คหมเคยร้นนองให้เพความมาเชื่องไหมบางคนร้องให้เียใจยเพราะความเป็นทุกข์มไหมแต่บางคนไม เป็นการมรรคผลนิทานแต่ละเพราะวันจบมันหลุดพ้นมันเป็นปริญญามันทงนานตีกันนะปริญญาแยกจะไม่มีอะไรเหลือหลือศูนย์ชื่อตาโรเกออมโตโรกมกขันุมอกขันุกมาแันธนพระโมกคลอดกวตายกลัเจ้านะ ให้หมดละพองเลอะไรเป็นของล้าเปล่าแต่ความหมายเห่งควเป็นตัวต น, นว ม, มีความวุ่นมีความว่าในควา ม, มเที่ยงมีความจริงมีควา ม, มเที่ยงมันจริงอย่าไปถูเอาในความมันทุกข ก, ก็จริงความมันทุกขมันจริงจริงจริงแต่มไม่จริงอย่าหลง ใช่ตัวตนมเนียอย่าไปหลงนี่จะเถอะวันอย่าไปเอาเรื่องอื่นให้ใหญ่โตมากกว่านี้เราจะเสาะเรื่องนี้ไปอยู่ทุกก์เททุกชีวิตทุกควงเหมือนใจไม่ใช่เป็นเรื่องเวลาอากาศดีโก้เป็นสามัญในก า, กาทกระนู่นนี่อย่าอ้างกาหาเวลา ไม่ใช่หาเวลาหาโอกาสหาสถานที่ไม่ใช่ปฏิบัติได้ให้คนได้ไม่จำกัดการเป็นสาบันเอาจริดูดีๆมันก็เห็นไปเป็นหลักฐานนี่อะไรต้องมีหลักฐานถ้าไม่มีหลักฐานมันมันไม่ มีเลยป้องกันตัวเช่หมือนโน้ตเรามีที่อาศัยมีหลักฐานไหมมีบ้านเดือนไหมแต่วันหิวก็มีข้าวมี น, มน้ําจริงชีวิตเราต้องมีหลักฐานเป็นปัจจัยอาศัยปัจจัยอาศัยเรื่องลูกปัจจัยอาศัยเรื่องน้ำอาหารกาอาหารกาย อ, อาหารใจ อยให้จนพองจนทาง ก, กายปฏิบัติไม่ถูกก็จนได้ไม่จนพอมไม่จนทางกายปฏิบัติถูกก็ไม่ทุกได้ไม่จนได้ทางใจก็เห ม, ม, มือนกันอยากจนแตเพราะเรื่องใจเนี่ยดูการจนไม่เหมือนกัน ในี่แหลชาติของเราที่เกิดมาไปจํานวนต่อการเกิดเจริเจตตายพอยที่จะเสียใจเราให้เพราะว่าสะดุ้งในความแจรความเจ็บความตาย ม, มันไม่ใช่มันเป็นหนึ่งสิ่งที่พระุทเจ้าเลยตัดรูตว์เรานี้เจงชื่อว่าพุทธเจ้าเมื่อการเกิดเจริญตายเจงชื่อว่าพุทธเจ้า ต่อตาแห่งของพอุทธัาสนาเป็นศินละปะเรื่องนี้โดยตรงทุกคนต้องมีการเกิดกเจต จ, จ, จตายแน่นอนอย่าเอาเพศเอาไว้เอาโรที่นกไยมาอ้างชาติาษามาอ้าเพื่อหาสารที่จะป้องกันเพื่อให้เป็นไม่ตายเกิดขึ้นเอาเอาชนะไม่ได้ แต่มันไม่ชนะอดีตไม่ชนะป่วยเราจึงอ่ามันใช่เ ร, ใเราโ ม, โม่อาาศึกษาดํานําใช่คนโม่มาดูที่มันมีหลักฐานอยูน่นี่ถ้าเหมือนจบทองอยู่แล้วไม่เสียชาติถ้ามันจบอ่แม้จะดนขนาดไหนก็ ย, ยังเสียชาติเพราะยังสุกขังทุกข์ยังหลงงโขจัง วิถีความบวญเรหมองเป็นคนล่าสมัยที่สุดในเวลานี้ชันป่าสุตโทยังขอทอดทอนเร่นี้มันนานเหลเกินที่เรากวรเริ่มพุธชชชาชาทธศาสนารรมาสทะละวิากันยู่นขอทอดทอน พอจูบันาล้วให้มีเวลาแบบนี้ตอนเท่ามาทำวัดต้องเป็นอย่างนี้ไ้ยินได้วังอย่างนี้แม่ท่านจะรู้แล้วก็ประดับบาไม่หนักหนาสาหาัวถ้าท่านไม่รู้ไม่เข้าใจก็ศึกษาแด้นี้ถ้าท่านยังหลงอยู่ยังทุกยังโกรธยังไม่ตกคงวนอยู่แสดงว่ า, ามีการบ้านเป็นภาระ สถาบันนี่เราพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสมฆเป็นสถาบันพระพูดถึงเจ้าเป็นเครื่องออกจากทุกข์เพราะทําเป็นเครื่องออกจากทุกข์เพราะส่งเครื่องออกจากทุกข์เป็นสาบันถ้านาถือพุทธศาสนามีทุกข์มันใช่สถาบันมันใช่พุทธศาสนาไม่เราจะสวด พุทธัทงจริอัจ า, านิเป้าหมายชะตรมังจริญราากัจานิเป้าหมาย ช, ชาติสังฆังเจริกัจานิปหมายชาตุทธัทงเจริญัจจ า, านิทำอย่างนี้มันพ้นจริงๆเวลาทำตามพระทีทท่้ามันเอาเจ้าปฏิบัติอย่างนี้จึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้นี่คือรัตตรตายคือ พลตระไถ่เห็นที่เพ่งประมาณก็เหมือการสําคัรก็มาอนกันเจ้าเจ้าอาศัยชนะดีแล้วปฏิบัติตามอย่างนี้แล้วภาพเจ้าถึงุ้นจาทุกขังคงได้มันปฏิบัติไปแล้วมันหลุดพ้นแล้วถึงว่าพุทธองค์จะมังมีใช่ไหมแม้แต่สิ่มีแล้ ว, วฉันเห็นเป็นแล้วฉันรู้ นโมมันกันปฏิบัติได้แล้วมันก็เป็นการถึงพระตตตัถเป็นชีิของเราทั้งหมดไปเลยแต่มันถึงแล้วมันก็ต้องคิดถึงคนอื่นเมื่อเรามีอาหารดี ค ม, มจริงดีคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ลูกต่ลูกพ่อแม่เรคิดถึงลูกคิดถึงเขาเราจะให้ถูกขับให้เป็นทาให้มันเป็นเวลามันไม่เป็นมันจะเป็นตรงที่มันไม่เป็นชิดถึนหลง เวลาใดมันหลงรู้นั่นหละหัดตรงนี้เวลาใดมันทุกรู้เวลาใดมันโกรธรู้เวลามันโศกมันทุกรู้อะไรที่มันจะเล่นออกแกมีพันอย่างเปิดกระปากระจาหมดไม่มีตรงไหนที่ไม่รู้อนอื่นอาจจะไปตกระจันไม่ได้เหมือนคนอื่นเขา แต่เรารูปลงตัวเองเนี่ยเหมือนบันดีคนหนะึงจังที่ว่าบอกในบันดีคนไปจบมาจะกษาบัง น, นอกประเทศโลกนอกโลกเราจกลับมาแต่มาข้ามเรื ในคนแกวเรือนับเบือใายไปส่งข้ามฟางั้นดีคนก็าถามคนแกวเรือใครเป็นประธานดีของประเทศทั้งคุณรู้ไหมผมไม่รู้หรอกครับใครเป็นอะไต่างๆใครเป็นคนที่ ไปดูลกูกพันได้ก่อนไปนโลกผมไม่รู้ครับไปเป็นดาทาเขึ้นเขาเอเวเดตได้ก่อนใครในโลกผมก็ไม่รู้ครับอะไรก็รู้อะไรก็รู้คนนี่มู่จริงๆเหมือนครับผมไม่รู้จริงๆนะปนไปลอยข้ามเรือไป เวลาเราก็มีฝนมีพายุมาเรือก็ตกตกได้นายนายนถ้าเรือมันล่นี่นายลอยน้ำเป็นไหรอยไม่เป็นเลยอ๋อเวลาล้มลอยน้าเป็นไหมลอยไม่เป็นเลยไงอย่างนั้ผมก็ช่วยก็ได้ละผมรอยน้ำเป็นอยู่แตผมจะช่วยไปไเอง มายต้องกันนะตัวไตัวมันนะค <c oughs> นี้เจอตัว้อยต้องมารูเ้เถอช่วยกันเถินนั่นก็เป็นแน่แ น, น, น, น่นะแต่มื่ออันตัวรูตัวเนี้ยถ้ารูตัวนี้แล้วไม่จะรอยน้าตารอยไม่เป็นเอาอกวที่ไรอะ่ะท นายลอยลาน้ำไม่เป็นน้ำเกลืนน้ำตายกลัวตายมาลูกตั้งหลายมันจะไม่สะทุกสะเตือนได้ไหมเ <c oughs> อ่ยนะน่นเนี่ยปฏิบัติธรรมไปช่วยตัวเองนะเวลาท่านหลงผมก็นั่งอยู่นี่ผมไม่รู้ด้วยพอจะรับตั้งหลายก็อยู่นี่จำนันเดียวกันนี้ไม่มีใครรู้เวลากว่าละที่ท่านหลง เวลาเวละที่ท่านสุกเวลาวลาที่ท่านโกเวลาลที่ท่านรู้เวลาเวลาเวลาที่ตัณฑ์ถูกเวอรน้อยอ่อนเอัไงเราต้องชื่อตัวเองมีสตินั้นแหละสตินี่ไปเป็นสิ่งนำร่องให้เราได้เห็นทิศเห็นทางเอาไว้ก่อนถ้าไม่รู้ ไม่ยังไม่มีไม่เป็นตัวยกมือสร้างจังหวะตลับมาหาหลักฐานตัวนี้เป็นหลักฐานตากอิงเสียก่อนทุกคนมีกายเคลื่อนไหวให้รู้จึกตัวไปก่อนอย่าไปคิดหาอย่าไปหาคำตอบจากความคิดเอากาทําเสียก่อนเอากาทํำเสียก่อนเคลื่อนไหวมือเสียก่อนบางทีถีงที่เรามีปัญหา แต่ลรามากำหนอดรู้ก่ อ, อยเคลื่อนไหวเดินจะคงมันจะเฉลื่อยไปเองเรามีหลักฐานตรงนี้ไม่ใช่ไปหาคาตอบจากความคิดเสมอไปมันต้องตอบจากการกระทำํำกรรมาฐานจะลิขิตไปเองง่ายๆไม่ต้องมีหัวสมองดีเหตุผลดีมันใช่อันนั้นเป็นการกระทําต่งางมา นี่แหละอาจารก็มาถามนี่ก็ได้ยังไม่มแข็งแรงก็เช่นเราเขียนหนังสือดูกระดานไปก่อนห น, น, นังสือดูดูหลักฐานไปก่อนเช่นหนังสือชาติอะไรที่เป็นของตาเขียนหนังสือไม่ถูกก็ชอบดูอะไรนะพัฒ น, นานุ ก, กรม แล้วมั น, นก็เขียนยังไงเราไม่เจงถ้าแรงอาจารย์จะถามเลยไม่ต้องไม่ต้องไปถามมาแล้วออกมาแล้อันนั้นก็เราไม่เจงโดยต้ อ, อาศรรัยหลักฐานให้กถ้ามันหลงอยู่ก็กำมาดูตัวนี้ง่ายงอาจจะไปถามใครหนอไม่ใช่ถ้าเรไม่ถามคนอาศรรัยตนเองจะเข้มแขนดีที่สุดเลย จะเก่งที่สุดหรอถ้าช่วยตัวเอเป็นถ้าเราคนอื่นช่วยอ่อนแออะไรก็ตามถ้าอาศัยสิ่งอื่นวัตถุอื่นมาช่วยก็อ่อนแดช่วยตัวเองเนชะมันร้อนมันจนแล้วมันร้อนก็คนในเ่ลามัร้อนอ่าอย่าไปชิดร้อนให้มันร้อนต่กายใจอย่าร้อนใจเย็นที่สุดเวลาหนาวถ้ามันหนาก็ อุ่นที่สุดแต่ลนั้นได้หนาวเป็นหนาวร้อนเป็นร้อนเห็นมันร้อนเห็นมันหนาวเนี่ยช่วยเหลือแบบนี้ถ้ามันจำเป็นยังเป็นในโอกาสเช่นนั้นแต่มันหิวไม่มีข้าวกินเห็นมันหิวไม่เป็นผู้หิวมันจะโยยาได้นั่นีหละ เอาไปทำไม่มีใครช่วยท่านได้ท่านก็หลงเองท่านก็รู้เองเวลาท่นหลงท่านก็รู้ช่วยตัวเองมันก็แยกไปนี่กบไป ถ, ถ, ถ, ถ, ถึงตั้งแต่ต้นตั้งกลางจุดหมายปลายทางไม่กล้ากระทำอย่างนี้เป็นไปเพื่อเริ่มต้นนำกลามที่สูต ไปเ ร, ป ร, ปราะในเบื้องต้นไปรอาท่าการใปเลอะในที่สุดสติอันเดียวอในเบิ้อต้นก็มีาการหยับหยาดูาาาาการเคลื่อนไหวต่อไปเมื่อต่อไปก็จะมีสีมีสมาธิมีปัญญาต่อป ไ, ไปก็จะเป็นอ่ามันเป็นขนมักจะเจ๋งไปเรื่อยก็จะก็จะเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนดำดำเป็น้ขาว รจกเด็กตน้อยก็ต้อกเป็ น, นอ <c oughs> <c oughs> าเาะฉะนั่นนะมีกำลังใจาบางบาดบี้จริงๆจะ อ, อ่อนแอในการในเรื่องกรรมฐานอามีจท่จําเลยในตัวเอง ข้าบวกข้าหรืเจ้าบายโสดมันมีแล้วอยู่กับตัวเราแล้วเราด้วยจดเอามาใช้มาปฏิบัติมาทำมันก็ไม่ไม่เป็นดำไม่เป็น่ยนเรา่าหรือเจ้าลายไม่ทำเอา น, นั่นนเป็นโตรทางนอกต้องมีหลักูตรที่เป็นกำหนดขึ้นแล้วก็ใช้ได้ อันสวดปาหนเขาเราสติปัฏานนั้นสวดนี่มันเป็นสตดของมนุษย์ทุกคนหมดทีเดียวอันเดียวกันแท้ๆไม่ใช่คนราอย่างทรรมะแทต้องเป็นอย่างเดียวกันอยเอาความหนุ่งคาเขียมาอย่าเอาเพศเอาไว้มาเอากัรกระทําเลยอันเดียวกันแต่ เรื่อมีสติยาตโยมก็มีสติพระสมฆก็มีสติใครก็มีสติอันเดียวกันสติที่เราท่างสร้างอยู่นี้ที่เรารู้สึกตัวอยู่นี้กับสติอยู่กับพระพุทธเจ้าสมัยยังฝึกใหม่ๆก็อันนี้มันใช่คำวอันเกันต้องเป็นอันเดียววันนี้ที่แล้วคือสถาวัน ขนาดนี้แล้วเราจะไปทำอะไรได้ยีก็สมควเวลาก็รักษาความาวารัมก <c oughs>